จเจริญสุขจเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็มาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยในรายการธรรมสู่สันติซึ่งวันนี้อาตมาก็จะนําธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคโลโอเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่สดธรรมกายรามมาฝากท่านสาธุชนเช่นเคยวันนี้ขอนําเสนอในเรื่อง พระรัตนตรยัยกำจัดทุกขกำจัดภัยและกำจัดโรคได้จริงหรือซึ่งหลวงพ่อพระมหาเสืมชัยช ย, ยักมังคลโลนั้นท่านได้แสดงไว้ให้แก่ผู้ที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมใหม่ๆที่สงสัยเกี่ยวกับคำบูชาพระกรรมฐานแบบหลวงพ่อวัดปากน้ำที่มีอยู่คำหนึ่งว่าพระพุทธกำจัดทุกได้จริงพระธรรม กำจัดภัยได้จริงและพระสงฆ์กำจัดโรคได้จริงนั้นมีความหมายว่าอย่างไรจึงถามกับหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลโลหลังจากที่ปฏิบัติภาวนาธรรมเสร็จแล้วหลวงพ่อมีเวลาก็เลยได้อธิบายขยายความปัญหาธรรมข้อนี้จึงขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านมาตั้งใจสดับรับฟังสารธรรมจากธรรมบัรยายของหลวงพ่อโดยพร้อมกัน สำหรับวันอาทิตย์ต้นเดือนในคราวนี้เราก็มีการปฏิบัติทำอย่างนี้เช่นเคยผู้เก่าก็มีผู้ใหม่ก็มีอาตมาเพียงแต่จะขอเล่าเล็กน้อย สำหรับผู้มาใหม่ก็อาจจะสงสัยในเรื่องการปฏิบัติพระสัทธรรมแม้เพียงว่าคำบูชาพระกรรมฐานที่ว่าบูชาพระพุทธเจ้าแล้วแก้ทุกข์ได้จริง บูชาพระธรร ม, มเจ้าแล้วกำจัดภัยได้จริงกำจัดทุกกำจัดภัยบูชาพระสงฆ์แล้วกำจัดโรคได้จริงบางท่านมาใหม่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไร อันนี้อาตมาจะเล่าให้ฟังเพียงย่อๆพอเข้าใจเท่านั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่าบูชาสักเล็กน้อยเป็นพื้นฐานการบูชานะกระทำได้สองอย่างคือบูชาด้วยเครื่องบูชา มีดอกไม้ถูกเทียนของหอมตลอดไปจนถึงวัตถุทานอื่นๆในปัจจัยสี่และแม้เครื่องประกอบเครื่องอำนวยความสะดวก ในการศึกษาในการปฏิบัติในการอบรมในการเผยแพร่พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้านี่ทั้งหมดเช่นนั้นชื่อว่าอามิสบูชาอีกอย่างหนึ่งคือว่าเห็นคุณค่า ของพระรัตนาไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นนั้นแล้วรับคำสั่งสอนมีพระธรรมและพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วมาประพฤติปฏิบัติตาม ชื่อว่าปฏิบัติบูบชาเมื่อปฏิบัติตามแล้วเห็นคุณของพระรัตนตรัยดังกล่าวจึงสรรเสริญยกย่องด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบไม่ใช่หลงไหลอตาตมาจะควบคำว่าสติปัญญาเห็นชอบไว้เสมอเสมอนะคือไม่หลงไหล ต้องรู้ต้องเข้าใจแจ่มแจ้งพอสมควรด้วยปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ต้องรู้ด้วยปัญญายกย่องสรรเสริญและประพฤติปฏิบัติตามหรือเอาพระสัจธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมพระวิ น, นัยที่ท่านแสดงไว้ดีแล้วนี่เป็นการบูชาอันเยี่ยม และเราเหล่าพุทธศาสนิกชนก็รู้ถึงอานิสงส์โดยทั่วไปรู้มากบ้างน้อยบ้างลึกซึ้งบ้างลึกซึ้งมากบ้างน้อยบ้างตามส่วนของสติปัญญาของแต่ละคนว่าการบูชาทั้งด้วยอามิสบูชาและปฏบิบัติบูชานั้นให้ผลดีอย่างไรทีนี้ก่อนจะเข้าไปถึงว่าให้ผลดีอย่างไร เรามานึกดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใครทำไมเราจึงบูชาสูงสุดแม้ยิ่งกว่าชีวิตของเราเราต้องรู้จักพระพุทธเจ้าของเราว่า พระพุทธองค์นั้นได้ทรงบำเพ็ญบารมีพระบารมีมาจำเพาะที่คิดอยู่ในใจเนี่ยปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยปรารถนาจะบรรลุพระธรรมวิเศษสูงสุดเอามาบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ตนเองและให้แก่สัตว์โลกทั้งหลาย เพียงกำหนดนึกอยู่ในใจบําเพ็ญบารมีอยู่รู้อยู่นึกอยู่ในใจถึงสี่อสงไขยแสนกับนี่เฉพาะองค์นี้และเปล่งออกมาด้วยวาจาก็อีกสี่อสงไขยแสนกลับแล้วตั้งใจบาเพ็ญการกรรมจริงๆเพื่ อ, อยังบารมีทั้งสิบทัศ ให้เจริญจากบุญเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปร r ม m a t ารมีทั้งสิบข้อให้เต็มส่วนเพื่อที่จะบรรลุปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผลนิพพานและพระอนุตตรสัมมาสัมพธียานเพื่อมาสั่งสอนเอาพระสัตยธรรมที่จะให้ผลเป็นการบําบัดทุกข์บํารุงสุขเอามาสั่งสอน เวนยสัพสัตทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลา ย, ท, ลายทั้งปวงที่พอจะรับคำสั่งสอนของพระองค์ได้นั่นะทรงบาเพ็ญบารมีนี้มาอีกสี่อสงไขยแสนกัปพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆก็มีบาเพ็ญในระดับนี้หรือมากกว่านี้มีแปดอสงไขยแสนกัป บ, บ้างสิบหกอสงไขยแสนกัป บ, บ้างและเชื่อแน่ว่า ในอดีตที่เรานับประมาณไม่ได้อาจจะมีหรือคงจะมีพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีถึงสาสิบสองอสงไขยแสนกับหรือหกสิบสี่อสงไขยแสนกับเพื่อยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้สำเร็จคือหรือสัตว์ขนสัตว์เข้าสู่พระนิพพาน นับแสนโกดจั ก, กรวาลอ น, นันจั ก, กรวาลไม่ท้วนย่อมมีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาได้มีพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ยากเหลือเกินสัตว์โลกมีได้ด้วยยากไม่ใช่มีได้ง่ายง่ายเพราะว่าแต่ละกับแต่ละกันนั้นบางทีก็ว่างจากพระพุทธศาสนา สัตว์โลกเกิดมาก็ไม่รู้พระสัตยธรรมที่แท้จริงเท่าที่พอมีอยู่เดิมได้บำเพ็ญมาก็รู้เท่านั้นรู้ผิดบ้างถูกบ้างมากบ้างน้อยบ้างหนักเข้าก็รบราฆ่าฟันแย่งชิงประทุษร้ายซึ่งกันและกันและแม้แต่ตัวเองนั่นแหละให้เดือดร้อนวุ่นวาย ทีนี้เมื่อพระพุทธองค์แต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์บาเพ็ญบารมีเต็มแล้วบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสิ่งที่พระองค์หรือพระสัจ ธ, ธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุนี่ยสูงสุดคือพระอริยสัจสี่ทุกมียังไงหยากละเอียด เปิดเผยและปกปิดเปิดเผยคือที่รู้ได้ไง่ายเราเป็นทุกข์กายทุกข์ใจอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเหตุนี้ซึ่งเหตุทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราจะรู้กันที่กลางเหตุปลายเหตุเท่านั้นนะเราพอรู้ได้บ้างเห็นได้บ้างเช่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ อยากจะได้ของที่ปรารถนาไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วต้องพลัดพรากไปก็ต้องเป็นทุกข์เราก็รู้ของหยาบหยาบอย่างนี้และแม้ว่าบางทีรู้ก็ไปทั้งบนรู้นี่แหละเห็นว่าเป็นสุขไปก็มีมีมากแต่ว่าทุกข์ปกปิดคือทุกข์ที่เห็นได้ยากพระพุทธองค์ทรงเปิดเผย จากการตรัสรู้ของพระองค์เช่นทุกข์ของวิบากหรือผลของกรรมทำกรรมดีเป็นผลให้ได้รับให้ได้เสเวสิ่งที่ดีเป็นสุขแต่ก็ไม่ได้นานทำความชั่วอันนี้ค่อนข้างจะมีมากได้รับความทุกข์มาก ทุกทั้งในปัจจุบันใชาติแล้วก็ข้ามภพข้ามชาติวนติดอยู่ในกิเลสวัตตะคือวงวนของกิเลสแล้วก็กรรมวัตตะสร้างกรรมกรรมดีบางกรรมชั่วบางหนักไปในทางกรรมชั่วเพราะไอ้ที่ไม่รู้มีเยอะแล้วก็วิปากวัตตะได้รับผลของกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมชั่วที่ให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นวนอยู่เนี่ยไม่ไปไหนแล้ววิบากนั้นก็ส่งผลให้เป็นคนมีจิตใจชั่วร้ายหนักไปยิ่งยิ่งกว่าเกา่าก็ทําไปเรื่อยเมื่อแต่กายทําลายขันจากภพชาติหนึ่งหนึ่งก็เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายสุขบ้างทุกข์บ้างไปตามกรรม แล้วหนักไปทางด้านทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าสัตว์โลกที่เป็นเทพยดาตายจากความเป็นเทพยดาจะได้มาบังเกิดในสุคติภพเช่นเทวโลกหรือแม้มนุษย์โลกน้อยนะแต่ไปเกิด ในทุกติภูมิมีภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ดิราชานมากต่อมากนะักแต่ท่านอยากรู้ว่าสัตว์ดิราชานมันมีกี่มากน้อยท่านไปดูสัตว์ในทะเลเล็กลงไปจนเป็นแพลงตัน้นจนกลายเป็นสัตว์เซลเดียวอะมีบ้าไฮดราต่างๆหนักๆเขาก็เป็นเชื้อโรคไปเลย มีเท่าไรนับไปทถวนแล้วก็ว่าสัตว์โลกที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพยาดาอีกนั้นน้อยนะักแต่ว่าตายไปแล้วเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ดิราชานมากต่อมากนะัก นี่ทุกปกปิดอย่างนี้เราไม่รู้หรือว่าทํากรรมอย่างนี้ได้รับผลกรรมอย่างไรต่อไปในอนาคตก็ไม่รู้หรือว่าไอที่บางคนเดี๋ยวนี้ก็ทุกยากบางคนก็สุขสบายก็ไม่รู้อีกแหละว่าเพราะอะไรบางคนก็รบกันอยู่นั่นแหละเหมือนตะวันออกกลางเค้นฆ่ากันอยู่นั่นแหละ ไม่จบไม่สิ้นบางประเทศก็ถึงกัะล้างเผ่าพันธุ์กันเลยแทบหมดก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรทำไมมันถึงได้เกิดมาเครียดแค้นกันรบ ก, กันอยู่นั่นโดยคำสั่งของคนเพียงไม่กี่คนยุโยงส่งเสริมให้ประชาชนจับอาวุธขึ้นมาล้างผลาญชีวิตจับสินซึ่งกันและกัน มันเป็นวิบากของกรรมจากกิเลสวัตตะกรรมวัตตะวิปากวัตตะเวียนอยู่นนั่แหละบางหมู่บางเหลา่าก็อยู่ในที่กันดานแห้งแลง้งยากจ น, นข้นแค้นอย่างชาวเอธิโอเปียเป็นต้นทำไมมันต้องอดอยากกันถึงอย่างนั้นนี่ละผลของกรรมไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงนำมาเปิดเผย ว่าทุกมีอย่างนี้นะแล้วก็เหตุของทุกข์ก็มีแล้วก็มาเปิดเผยกะเราว่ากะพุทธศาสนิกชนหรือผู้ที่น้อมเข้าไปรับพระสัทธรรมของพระองค์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนบัดนี้ว่า ทุกเป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกมีอย่างนี้แต่ว่าสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับมีอยู่นะมีอย่างไรอย่างไรชื่อว่านิโรธทรงแสดงไว้แล้วก็ทรงแสดงต่อไปอีกว่าหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันถาวรมีอยู่อย่างไรอย่างไรทุกผู้ทุกนามเมื่อเข้าไปศึกษาไปเข้าใจทุกเหตุแห่งทุกสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับ และหนทางปฏิบัติเพื่อความพน้นทุกข์ปฏิบัติตามพระสัจธรรมของพระองค์แล้วความทุกข์ความโศกโรคภัยทั้งปวงย่อ ม, ห ม, มหมดไปตามส่วนหมดไปตามส่วนเพราะความทุกโศกโรคภัยทั้งปวงเกิดแต่เหตุเกิดแต่ปัจจัยเมื่อกำจัดเหตุกำจัดปัดจจัยนั้นเสร็จแล้ว ไอ้ผลที่มันจะตามมาที่เป็นความทุกโศกโรคภัยทั้งปวงมันก็ลดน้อยถอยลงไปจนถึงสิ้นเชิงตรงนี้แหละบางท่านอาจจะพออาจจะสงสัยว่าความทุกข์เอาละเมื่อกำจัดเหตุแห่งทุก ความทุกข์ก็ดับพอเข้าใจอยู่แต่ว่าภัยเนะี่ยบางคนนึกไม่เห็นว่ามันจะกําจัดภัยได้อย่างไรภัยก็มาจากเหตุมาจากเหตุความชั่วที่เราประพฤติปฏิบัติไปล้างผลาญคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นผลของเวรและกรรมอันเป็นอกอุศลกรรมนั้นส่งผลเมื่อได้จังหวะได้โอกาส เหมือนกับต้นไม้ที่มันจเจริญเติบโตพอเหมาะกับฤดูกาลบรรยากาศแล้วก็ออกดอกออกผลชั้นใดชั้นนั้นให้ผลเมื่อไหรก็เมื่อนั้นทีนี้ไอ้ของเก่าเราแก้ไม่ได้ทําไปแล้วเนี่ยไอ้ต่อไปข้างหน้าเราทํายังไงเราเรียนให้รู้อะไรเป็นเหตุแห่งทุกมีกิเลส ตัณหาอุปาทานเพราะความคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดคือโมหะซึ่งมีรากเหง้ามาจากอวิชชาคือความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้อรยิยสัจสี่ดังกล่าวแล้วไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทธรรมคือ เหตุและผลอันเป็นธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกันอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จึงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดแล้วก็ทำผิดทำผิดก็ได้รับผลที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือร้อนแต่ถ้าเราเข้ามาศึกษาซะแล้วเรารู้แล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยลดเหตุลดปัดจจัยนั้นก็ย่อมจะไม่มีผลของกรรมอันเนื่องแต่การประกอบเหตุ ที่จะนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนนั้นเกิดขึ้นมันก็เหลือแต่ของเก่าซึ่งอาจจะให้ผลแก่เราหนักบ้างน้อยบ้างและค่อยๆจางไปตามลำดับตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าให้ละชั่วด้วยกายวาจาใจนี่แหละคือวิชาบำบัดทุกข์ ที่ตรงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่สุดและในขณะเดียวกันพระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุปัจจัยที่เป็นความสุขด้วยว่าจงทำดีด้วยกายวาจาใจเช่นทานกุศลเป็นต้นและคุณความดีอื่นๆตามพระสัทธรรม ตามพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าใครทำแล้วผลดีนั้นย่อมสนองให้มีความสุขความเจริญทีนี้ท่านทั้งหลายลองนึกดูว่าถ้าใครบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ทรงปัญญารู้แจ้งโลก รู้เหตุรู้ปัใจจัยให้เกิดทุกข์รู้ถึงทุกข์ที่ลึกซึ้งไปจนถึงทางปฏิบัติเพื่อกาจัดทุกข์และไปจนถึงสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับด้วยพระองค์เองไม่ใช่รู้เฉยๆพระองค์ทำได้ด้วยสาวกของพระองค์ก็ทำได้ด้วยแล้วเอามาสั่งสอนใครรับประพฤติปฏิบัติตามย่อม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 สาธุชนกาลังติดตามรับฟังรายการธรรมะส่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ยะมังคโลโอเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามสําหรับธรรมบรรยายเรื่องพระรัตนไตรยัยกําจัดทุกข์กําจัดภัยและกําจัดโรคได้จริงนั้นยังมีอีกอยู่หนึ่งตอนแต่วันนี้เวลาของรายการก็หมดแล้วจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตาม รับฟังได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก่อนจากกันอัตมาภาพขอส่งท้ายด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตซึ่งมาในสับปริสสูตรพระสุตตันตปิฎกเกล่มที่23หน้าที่219ความว่าสัพเพสังสหิโตโหติสัทธ ร, รมเมสุปฏิติโตแปลความว่าผู้มั่น